โจรบริษัทคิดอยู่ว่าทำชะไหนจึงจะเป็นผู้มีกำลังมากกว่านี้มีความสามารถสูงและสามารถวิ่งได้รวดเร็วเพราะการไปจับกระสัตย์จำนวนร้อยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายบังเอิญเขาได้พบเพื่อนเก่าคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นมีมน ที่จะให้มีกำลังมากและวิ่งได้เร็วโจนบริษัทจึงขอเรียนมนนั้นเพื่อนของเขาไม่ขัดข้องเขาเรียนมนจนสำเร็จจึงกลายเป็นผู้กล้าหาญใหญ่มีกำลังและความเพียรมากได้ใช้ความพยายามนั้นจับกริยัได้จำนวนร้อยแล้วนำไปมัดรวมกันไว้หน้าใต้ต้นไซใหญ่ส่วนพระเจ้าสุตสมโพธิสัตว์นั้นบริษทัทไม่ได้จับ เพราะคิดว่าเป็นปริศษาจารของตนยังเกรงพระไทยอยู่เมื่อรวบรวมกษัตริย์ได้จำนวนร้อยตามที่ต้องการแล้วก็เริ่มทำปรีกรรมก่อไฟแล้วนั่งถากหลาอยู่ไฟรุกขเทวดาเห็นการกระทําของโปริศาสต์แล้วเกิดอาการสะดุ้งใจเกรงบาปจะตกถึงตนเพราะการที่แผลเข้าหายนั้นตนไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแม้แต่น้อยหนึ่ง เขาหายเองโดยธรรมดาแต่เขากำลังเตรียมการกระทำปรีกรรมแก่ตนและทำความพินาศแก่พระราชาทั่วชงภูทวีปตนเองไม่อาจห้ามได้จึงเที่ยวไปปรึกษาเทพชั้นผู้ใหญ่หลายท่านเทพเหล่านั้นบอกว่าไม่อาจห้ามได้เช่นเดียวกันแต่เทพผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้ออกอุบายให้ว่าคนเดียวเท่านั้นที่จะปลดเปื่องทุกข์ของกษัตริย์ทั้งหลาย รวมทั้งโพริศาสเองด้วยในครั้งนี้คือพระเจ้าสุตสมโอรสแห่งพระเจ้าโกรัพยยาแห่งนครอินทปัตแควนกุรุหากเธอใครจะให้ชีวิตกษัตริย์ทั้งหลายปลอดภัยก็จงบอกแก่โพริศาสว่าการทําปรีกรรมนั้นต้องนําพระเจ้าสุตสมมาด้วยรุกขเทวดารับเทวบัญชาแล้ว รีบมาแปลงเพศเป็นบรรพชิตไปสถิตยอยู่หน้าที่ใกล้ปริษฐ์ส่วนปริษฐ์ได้ยินเสียงฝีเท้าเข้าใจว่าพระราชาบางพระองค์จะหนีไปคลั้นเห็นลูกคเทวดานั้นก็จึงคิดว่าบรรดาบรรพชิตส่วนมากมาจากสกุลกษัตริย์เราจักจับบรรพชิตนี้ทำพลีกรรมด้วยจึงลุกขึ้นจับดาบและติดตามไป ติดตามไปสิ้นระยะทางสามโย์ก็ไม่อาจให้ทันได้เหงื่อไหลท่วมตัวจึงประหลาดใจร้องตะโกนว่าหยุดก่อนเถอะสมณะรุกขเทวดาก็ตอบว่าเราหยุดแล้วท่านนั่นแหละยังไม่หยุดท่านหยุดเซธเธอโจรปริษาจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญธรรมดาบรรพชิตย่อมไม่กล่าวเทธ ข้าพเจ้าทราบมาว่าแม้ต้องสิ้นชีวิตบรรพชิตจะไม่กล่าวเท็จส่วนท่านสิเพบิบรรพชิตแต่วาจาของท่านไม่ได้สอความเป็นบรรพชิตเลยท่านยังเดินอยู่แต่บอกว่าหยุดแล้วท่านเข้าใจว่าดาบของเราเป็นขนนกกระสาหรือรุกขเทวดากล่าวตอบว่าดูก่อนราชาอาตมาหยุดแล้ว เพราะมีธรรมเป็นเครื่องหยุดคืออหิงสาความไม่เบียดเบียนไม่ต้องเปลี่ยนนามและโคดของตนส่วนท่านสิเมื่อก่อนนี้เป็นพระเจ้าพรหมทัตและต้องเปลี่ยนมาเป็นมหาโจรปริศาสอันหนึ่งนักปราดกล่าวว่าโจรผู้ไม่หยุดในโลกเพราะละจากโลกนี้แล้วต้องไปสู่อบายต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏไม่มีเวลาหยุดหย่อนผ่อนพัก อาตมาจึงกล่าวว่าท่านนั่นแหละยังไม่หยุดดูก่อนราชาหากท่านประสงค์จะปรีก ร, รมของท่านมีผลตามที่มุ่งหมายท่านต้องจับพระเจ้าสุตสมมาด้วยพระเจ้าสุตสมนั่นแหละเป็นยอดแห่งปรีกรรมรุกขเทวดากล่าวดังนี้แล้วบรรดาให้เพศบรรพชิตหายไปกลับกลายเป็นเพศ ของตนยืนชดช่วงดุดดวงอาทิตย์ในอากาศปริษัทได้สดับถ้อยคำและเห็นรูปเทวดานั้นแล้วดีใจนักหนาว่าตนจะได้เห็นเทวดาโดยประจักษ์จึงกล่าวกับเทวดาว่าอย่าวิตกเรื่องพระเจ้าสุตสมเลยจะพยายามนำมาสังเวยให้ได้และแล้วเมื่อดวงอาทิตย์อั ส, สดงดวงจันร์ปรากฏแล้ว โอริศาสเป็นผู้รอบรู้ในเวททางคษาสตร์ฉลาดรู้นักสัตว์โคจรเขาแหงนดูท้องฟ้ารู้ทันทีว่าพรุ่งนี้แล้วพระเจ้าสุตสมจะเสด็จลงสงาศ์ณ่าสาบบวกขอรณีอันเป็นมงคลตามขัตยราชประเพณีจึงไปซ่อนตัวอยู่ที่นั่นจับพระเจ้าสุตสมได้ตามประสงค์ด้วยความเกรงพระทัยพระเจ้าสุตสม บริสัทจึงไม่ทําเยี่ยงที่เคยทํากับกษัตริย์องค์อื่นแต่กลับแบกสุตสมไว้บนบาแล้วนําไปขณะนํานไปนั้นได้เห็นน้ำแต่ปลายพระเกศาแห่งสุตสมลงสู่อกของตนสำคัญว่าเป็นน้ำตาจึงดำริว่าขึ้นชื่อว่าสัตว์ที่ไม่กลัวตายนั้นย่อมไม่มีแม้พระเจ้าสุตสมฉลยจะร้องไห้เพราะรักชีวิต จึงกล่าวขึ้นว่าท่านผู้มีความรู้มีปัญญาเป็นพระหูสูตรคิดเหตุการได้มากย่อมไม่ร้องไห้การที่พวกบัณฑิตเป็นผู้บันเทาความโศกของผู้อื่นได้นี่แหละเป็นที่พึ่งยอดเยี่ยมของ น, อนรจชน เหมือนเกาะเป็นที่พำนักของคนเรือแตกในมหาสมุทรท่านสุตโสมท่านคิดถึงอะไรตนหรือญาติหรือลูกเมียหรือข้าวของเงินทองท่านโกรพยะผู้ประเสริฐสุดหม่อมฉันขอฟังถ้อยคําของพระองค์พระเจ้าสุตโสมตรัสว่าข้าพเจ้าไม่ได้คิดถึงบุตรภรรยาหรือข้าวของเงินทองใดๆ ไม่ได้คิดถึงบ้านเมืองคิดถึงแต่ธรรมของสัตบุ ร, รุษที่ประพฤติกันมาแต่โบราณคือความสัตว์ข้าพเจ้าขอผัดกับพรามคนหนึ่งไว้ว่าหลังจากสงน้ำแล้วจะไปฟังมัทุรุภาสิทธ์ของเขาข้าพเจ้าคิดถึงธรรมนั่นแลข้าพเจ้าอยู่ในฐานะเป็นเจ้าแผ่นดินได้นัดหมายกับพรามในแคว้นของตน ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาผิดนัดนั้นข้าพเจ้าใคร่จะไปตามนัดหมายเสยกอนแล้วจะกลับมาหาท่านโจรบริษัทจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อดอกว่าคนที่หลุดจากปากมัจจุราชแล้วจะวิ่งกลับมาหามัจจุราชอีกเหมือนคนที่พ้นจากปากเสือแล้วฉนันจะวิ่งเข้าไปกอดคอเสือเมื่อปล่อยให้กลับไป ข้าพเจ้าไม่เชื่อ ว, ว่าท่านจะกลับมาอีกพระโพธิสัตว์ได้สดับดังนั้นมีพระอาการประหนึ่งพญาไกรสอนราชสีไม่หวาดหวั่นต่อภัยในปากกว้างจึงตรัสตอบว่าคนมีศีลบริสุทธิ์ย่อมไม่กลัวตายส่วนคนลามกบัณฑิตติเตียนย่อมกลัวตายคนที่กล่าวเท็จเพราะของรักใดๆของรักนั้นไม่อาจคุ้มครองรักษาเขา มิให้ตกนรกได้มหาราชแม้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะพึงตกไปในแผ่นดินลมจะพัดภูเขาให้ลม้มแม่น้ำจะพึงไหลทวนกระแสดได้แต่ข้าพเจ้าพูดเท็จมิได้เลยนะราชาหากฟ้าจะพึงแตกทำลายลงทะเลจะพึงแห้งเหือดแผ่นดินจะพึงพลิก เมรุบันพศจะพึงล้มราบลงข้าพเจ้าจะพูดเท็จไม่ได้แม้พระโพธิสัตว์จะตรัสอยู่อย่างนี้โจรโพริสัสถ์ก็ไม่เชื่อลำดับนั้นพระโพธิสัตว์จึงทรงดาริว่าโพริสัสถ์นั้นไม่เชื่อเราเราจะให้เธอเชื่อด้วยคําสาบานและตรัสว่าดูก่อนสหายโพริสัสท่านจงให้ข้าพเจ้าลงจากบากน ข้าพเจ้าจะทําคําสาบานให้ท่านคลั้นปริศต์ลงจากบ่าให้อยู่หนาภาคพื้นแล้วพระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าข้าพเจ้าจะจับดาบและหอกแล้วสาบานว่าหากข้าพเจ้าพูดอาศัตย์ต่อท่านต่อไปขอข้าพเจ้าอย่าได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์อันมีการละแวดระวังด้วยอาวุธคือหอกและดาบเช่นนี้ ข้าพเจ้าพ้นจากท่านแล้วจะไปหาพรามที่ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไปหาเขาเพื่อมิให้มีหนี้สินสัญญาแก่พรามนั้นแล้วข้าพเจ้าจะกลับมาหาท่านลำดับนั้นโจรปริศาสคิดว่าสุตสมนี้กระทาการสาบานในสิ่งที่กษัตริย์ไม่กล้าทาจะคิดใหญ่ถึงสุตสมจะกลับมาหรือไม่กลับมา เราเองก็เป็นกระสัเหมือนกันหากสุตโสมไม่กลับมาเราจะกรีดลำแขนของเราเองเอาเลือดทําพรีกรรมแก่เทวดาได้จึงกล่าวว่าขอพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินอันประเสริฐจงเสด็จกลับไปเพื่อรักษาสัตว์ในการนัดหมายกับพรามและขอให้เสด็จกลับมาพระโพธิสัตว์ทรงให้ปติญญาณอันมั่นคงแก่โริสต์ว่า จะกลับมาอย่างแน่นอนพร้อมแถมว่าท่านรู้จักข้าพเจ้ามาตั้งแต่ยาววัยอย่าว่าแต่คำเท็จเลยแม้คำล้อเลียนข้าพเจ้าก็ไม่เคยพูดยิ่งบัตรนี้ข้าพเจ้าดำรงอยู่ในราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยแล้วข้าพเจ้าจะาพูดเท็จได้อย่างไรเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จถึงพระนครแล้ว จึงตรัสให้นำพรามนั้นเข้าเฝ้าให้นั่งบนที่สูงพระองค์เองถือเอาอาสนะตามกว่าเพราะความเคารพในธรรมใครฟังสตารหะคถาพรามได้นําคถาซึ่งได้สดับมาจากพระกสปะทศพลมากล่าวหน้าบัตรนั้นว่าหนึ่ง ข้าแต่พระเจ้าสุตสมการสมาคมด้วยสัตว์บุรุษแม่เพียงครั้งเดียวย่อมช่วยรักษาคุ้มครองผู้สมาคมอำนวยประโยชน์แก่ผู้สมาคมอย่างสูงส่วนการสมาคมด้วยสัตวบุรุษแม่มากครั้งก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยรักษาคุ้มครองตนไม่ได้สองบุคคลพึงคบสัตว์บุรุษพึงสนิทสนมกับสัตว์บุรุษ เมื่อรู้ธรรมของสัตบุรุษดีแล้วมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเลยสามราชรถที่วิจิตรการตายัางคล่ำคล่าได้แม้สรีระร่างกายคนก็ต้องชะาไปตามการแต่ธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่แก่ไม่เก่าสัตบุรุษกับสัตบุรุษด้วยกันประสัยกันเข้าใจดีสี่ ฟ้าและแผ่นดินว่าห่างไกลกันฟังแห่งสมุทรทั้งสองก็ห่างไกลกันแต่ธรรมของสัตว์บุรุษและอสัตว์บุรุษยังห่างไกลกันยิ่งกว่านั้นเสียอีกพระโพธิสัตว์ได้สดับคาถานั้นแล้วทรงสมมนัตอย่างยิ่งทรงดำริว่าคาถานี้ไม่ใช่สัตาระหะคาถาคือคาถาที่มีค่าเป็นร้อย แต่ควรเป็นสหัสสารคถาคาถาที่มีค่าเป็นพันจึงพระราชทานทรัพย์แก่พรามถุงละพันสี่ถุงรวมเป็นห้าพันกหาปณะนะและแล้วพระเจ้าสุตสมโพธิสัตว์ได้พระราชทานยานน้อยอันสบายคันหนึ่งแล้วตรัสสั่งราชบุรุษให้พาพรามไปถึงบ้านขณะนั้นได้เกิดเสียงสาธุการใหญ่ว่า พระเจ้าสุตโสมได้ทรงเปลี่ยนคาถาชื่อสตารหะคือค่าเป็นร้อยเป็นสหัสสารหะมีค่าเป็นพันพระราชมารดาบิดาทรงสดับเสียงนั้นได้ทรงทราบตามความเป็นจริงแล้วกริว้วพระโพธิสัตว์ว่าไม่รู้จักเสียดายซับเมื่อพระเจ้าสุตโสมโพธิสัตว์ ทรงส่งพรามไปแล้วเสด็จเข้าเฝ้าพระราชบปดามารดาพระบิดาของพระองค์ไม่ได้แสดงอาการปฏิสันถานแต่ประการใดจะถามถึงเรื่องที่พ้นจากมือโจรมาอย่างไรก็ไม่ได้ตรัสถามเพราะเสียดายทรัพย์ที่ต้องเสียไปตรัสเพ้อพระโอรสว่าสุตสมเออยเจ้านั้นใจใหญ่เกินเหตุเขามากล่าวคำสุภาษิตเพียงเท่านี้ ควรจะให้เขาเจ8 0หรือร้อยหนึ่งเป็นอย่างมากก็พอถมเทแล้วเขาพูดคำสุภาษิตเพียงเท่านี้ให้รางวัลเขาถึงสี่พันไม่น่าเลยพระโพธิสัตว์ทูลว่าข้าแต่พระราชมารดาบิดาลูกไม่ปรารถนาความเจริญมั่งคั่งทางทรัพย์เท่านั้นลูกต้องการความเจริญทางการศึกษาต้องการเจริญทางธรรม ให้เป็นผู้ตั้งตัวได้ทั้งในทรัพย์สินและศีลธรรมด้วยประการชนีดสัตว์บุรุษผู้สงบจึงชอบคบหม่อมชันหม่อมชันไม่อิ่มด้วยคำสุภาษิตเหมือนมหาสมุทรไม่รู้จักอิ่มด้วยน้ำไฟไม่รู้จักอิ่มด้วยเชือ้อหม่อมชันมีความเคารพธรรมเห็นธรรมเป็นสิ่งจำเป็นประการแรกที่คนเราควรต้องการ เวลาใดหม่อมชั้นต้องเรียนทำอันมีประโยชน์แม้เรียนกับทาตของตนเองเวลานั้นหม่อมชั้นก็ต้องแสดงความเคารพยัมเกรงในการเคารพธรรมให้เกียรติธรรมหม่อมชั้นไม่อิ่มไม่เบื่อในการสนใจในธรรมเพราะหม่อมฉั้นเห็นว่าสิ่งที่ควรได้รับเกียรติมากที่สุดในโลกนี้คือธรรม และแล้วพระโพธิสัตว์ได้ทูลพระราชมารดาบิดาว่าให้ปฏิญญาณแก่โจรโพริสัตไว้ว่าเมื่อมาพบพราหมณ์ตามนัดหมายแล้วจะเสด็จกลับไปหาโจรโพริสัตพระราชมารดาบิดาทั้งสองอาลัยมากพยายามห้ามพราหมณ์ด้วยเหตุผลนานาประการและจะยกกองทัพไปปราบโจรโพริสัตแต่สุตสมทรงห้ามเสียทูลว่า ผู้เป็นโจรเช่นบริษัทยังทำกิจที่ทำได้ยากคือจับพระองค์ได้แล้วยังปล่อยมาฉไหนเล่าพระองค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์จะพึงกลับคำที่ให้ไว้แก่เขาเสียในคืนนั้นพระเจ้าสุตโสมโพธิสัตว์ประทับอยู่ในพระราชนิเวศรุ่งขึ้นเช้าพอได้อรุณแล้วก็ถวายบังคมลาพระราชมารดาบิดา รัดสั่งนิกรชนทั่วกันแล้วผู้อันมหาชนมีส่วนฝ่ายในเป็นต้นมีหน้านองด้วยน้ำตาครากร่ำครวญอยู่พากันไปส่งเสด็จพระองค์เสด็จออกจากพระนครเมื่อไม่อาจให้ปิยชนเหล่านั้นกลับได้จึงนำท่อนไม้ใหญ่มาขวางไว้ในหนทางพร้อมตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายมีความเคารพรักใกล้ในเรา ขออย่าได้ล่วงเขตไม้นี้ไปมหาชนไม่อาจข้ามเขตอาจยาของพระโพธิสัตว์ผู้มีศีลมีเดชได้คร่ำครวญอยู่ด้วยเสียงอันดังแลดูพระโพธิสัตว์ผู้มีพระอาการองค์อาจดุจสีหราชเสด็จไปอยู่เมื่อพระโพธิสัตว์ล่วงลับสายตาไปแล้วจึงร้องเซ็งแซ่ขึ้นพร้อมกันแล้วกลับเข้าพระนคร ายพระโพธิสัตว์เสด็จไปสู่สำนักของโจรบริษทัททางเดียวกับที่เสด็จมานั่นแลส่วนโจรปริษทัทได้ปรงใจซะแล้วว่าพระเจ้าสุตสมมาหรือไม่มาก็ช่างเถอะรุกขเทวดาจะลงโทษเราได้อย่างไรก็ยอมรับทั้งสิ้นเราจะฆ่าพระราชาเหล่านี้แล้วทำพรีกา ร, รด้วยมังสะมีรสห้าอย่างในขณะที่บริษทัทกาลังก่อไฟลุกโพรงอยู่ นั่งถากหลาล่อให้เฟินกลายเป็นฐานเสียก่อนนั่นเองพระโพธิสัตถ์ก็เสด็จมาถึงโปริสาโสมนัสยิ่งนักทูลถามว่าสหายธุรกิจของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเรียบร้อยแล้วเราได้สะดับคาถาซึ่งพรามนำมาจากพระดำรัส ของพระกัสปะทศพลเราได้ทํากิจที่ควรทําเรียบร้อยแล้วเชิญสหายฆ่าเราบูชายันตามประสงค์เถิดโจรปริศาทตได้สะดับดังนั้นจึงคิดว่าพระราชาพระองค์นี้ไม่กลัวไม่หวาดหวั่นต่อมอรณะภายัยองอาจยิ่งนักนี่อนุภาพอะไรหนาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอนุภาพแห่งคาถาที่สะดับมาเราจะลองถามดู เขาบอกแล้วเราจะได้ไม่มีความกลัวไม่หวาดหวั่นต่อมรณะภัยเช่นเดียวกับเขาจึงกล่าวว่าท่านสุตโสมเรื่องบูชายานนั้นท่านอย่าเป็นห่วงเลยข้าพเจ้าต้องบูชาแน่เชิงตะกรนี้ยังมีควันอยู่มังสะที่สุกและอร่อยต้องสุกบนไฟที่ปราศจากควันแต่ข้าพเจ้าขอสับคทถาชื่อ สตารหักจากท่านก่อนพระโพธิสัตว์ได้สดับดังนั้นจึงดาริว่าโปริศาสท์นี้เป็นคนบาปเราต้องข่มให้เธอเกิดความละอายใจเสียก่อนแล้วจึงจะแสดงคาถาให้ฟังดาริดังนี้แล้วตรัสว่าดูก่อนโปริศาสต์ท่านเป็นคนประพฤติไม่ชอบธรรมต้องจากแคว้นก็เพราะเห็นแก่ปากแก่ท้อง ส่วนคาถาเหล่านั้นล้วนแต่สาเสริญธรรมธรรมและอธรรมจะลงรอยกันได้อย่างไรแม้พระโพธิสัตตร์ตรัสดังนี้โจรบริษัทก็ไม่โกรธทั้งนี้เพราะอนุภาพแห่งเมตตาภาวนาของพระโพธิสัตว์นั้นโจรบริษัทตรัสตอบว่าสหายสุตโสมข้าพระเจ้าเป็นคนบาปคนเดียวเท่านั้นหรือ ก็คนที่เที่ยวป่าฆ่ามาลึกได้มังสะมาก็เพื่อปากเพื่อท้องหรือต้องฆ่าคนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนก็มีอยู่มากเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุจะไหนจึงว่าข้าพเจ้าประพฤติมิชอบคนเป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งเมื่อคนกินเนื้อสัตว์อย่างอื่นได้จะไหนคนจะกินคนซึ่งเป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งมิได้ดูกนสหายบริษัท ท่านกินเนื้อมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งไม่ควรกินท่านประพฤติไม่ชอบธรรมตรงนี้บริษัทไม่อาจโต้ตอบเรื่องนี้ได้เพราะเป็นความจริงกษัตัิย์อื่นๆแม้จะเที่ยวค่าหมู่มาลึกแต่เขาเหล่านั้นไม่ได้กินเนื้อมนุษย์การกินเนื้อมนุษย์เป็นความแปลกสายตาของโลกเห็นเป็นสิ่งชั่วร้ายบริษัทจึงไม่อาจโต้ตอบเรื่องนี้กับพระโพธิสตัตว์ จึงเลี่ยงไปพูดเรื่องอื่นว่าสหายสุตสมท่านพ้นจากมือของโปริาสาท์แล้วไปถึงพระราชมนเทียนของตนทรงอภิรมด้วยกามาคุณแล้วยังกลับมาหาปริศาสตผู้เป็นศัตรูอีกพระองค์ไม่ฉลาดในขัติยธรรมเสียเลยเกียรติของท่านระบือไกลว่าเป็นบัณฑิตแต่ข้าพาเจ้าไม่เห็นท่านเป็นบัณฑิตเลยเห็นเป็นคนโง่ามากกว่า เพราะไม่รู้ความเสื่อมและความพินาศของตนพระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่าคนที่ฉลาดในขัตติยธรรมปฏิบัติอย่างที่ท่านว่าย่อมตกนรกเพราะเต็มไปด้วยความตลบตะแหลงไร้สัตว์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงละขัตติยธรรมเช่นนั้นเสียเป็นผู้รักษาสัตว์กลับมาแล้วดูก่อนโริศัท ท่านจมบูชายันกินเนื้อข้าพเจ้าเสียเถิดบริษัทโต้ ว, ว่าประสาทราชมนเทียนแผ่นดินโคและม้าสตรีที่น่าอภิรมกาศิกภพคือผ้ากาสีและแก่นจันท่านมีสมบูรณ์พร้อมในพระนครน่าจะอภิรมอยู่ด้วยสิ่งนี้ทำไมจึงเอาสิ่งนี้มาแลกความสัตว์โง่ๆพระเจ้าสุตสมตรัสตอบว่า รถทั้งหลายบรรดาที่มีอยู่ในโลกนี้สัจจะเป็นรถเลิศที่สุดสมณพราหมณ์ที่ตั้งอยู่ในความสัย์ย่อมข้ามฝั่งแห่งชาติและมรณะเสียได้ทัศนะแห่งปราดย่อมไกลจากทัศนะของผานเพราะฉะนั้นแม้เสียชีพข้าพระเจ้าก็ไม่ยอมเสียสัต์เมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสอนิสง์แห่งสัจจะแกปริสัทอยู่อย่างนี้ โริษัทก็ได้แลดูพักของสุตสมโพธิสัตว์ซึ่งคล้ายดอกบัวที่แย้มแล้วและคล้ายพระจันทร์เต็มดวงจึงดำริว่าสุตสมนี้แม้เห็นฐานและกองเพลิงแม้เห็นเราพูดถากหลาวอยู่เธอไม่ได้มีอาการหวาดเสียวเลยนี่เป็นอนุภาพแห่งสตาระหะคาถาหรืออนุภาพแห่งความสัตย์กันแน่หรืออะไรอย่างอื่นอีก จึงถามว่าท่านสุตโสมท่านพ้นจากมือข้าพเจ้าแล้วสเสด็จไปถึงพระราชมนเทียนทรงอภิรมด้วยการมาคุณแล้วยังอุตส่าห์กลับมาสู่มือของโปริสั์อีกท่านไม่กลัวตายแน่ละหรือท่านยึดมั่นในความสัตว์โดยไม่มีใจท้อแท้บ้างเลยทีเดียวหรือพระโพธิสัตว์เมื่อจะตรัสธรรมโดยพุทธลีลาจึงตรัสว่า กาลยานธรรมข้าพเจ้าได้ทํำแล้วยันที่พบูบุญอันบัณฑิตสารเสริญข้าพเจ้าก็ได้บูชาแล้วทางปอลโลกข้าพเจ้าได้ชําระให้สะอาดแล้วผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมใครเล่าจะกลัวตายพระชนกชนนีข้าพเจ้าก็ได้บํารุงแล้วข้าพเจ้าได้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมในหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดิน อุปการะกิจที่จะพึงทำแก่ญาติมิตรข้าพาเจ้าก็ได้ทำแล้วทานก็ได้ให้แล้วแก่คนจำนวนมากสมณพรมาจารย์ข้าพาเจ้าก็ได้อุปถมัมภ์บรรงให้อิ่มน้ำสำราญแล้วข้าพาเจ้าไม่เดือดร้อนที่จะไปสู่ปรโลโลกดูก่อนโพริษาทตผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมใครเล่าจะกลัวตาย ท่านจงบูชายันกินข้าพระเจ้าเสียเถิดโบริษัทได้สดับดังนั้นตกใจกลัวพระเจ้าสุตโสมมหาราชนี้เป็นสัตบุรุษสมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติแสดงธรรมไพเราะถ้าเราจะกินเข้าเสียสศีรษะของเราจะพึงแตกเป็นเจ็ดเสียงแผ่นดินก็จะเปิดช่องออกรับเราคิดดังนั้นแล้วจึงกล่าวว่า ข้าแต่ท่านสุตโสมบุคคลผู้รู้อยู่จะพึงดื่มยาพิษหรือจับอสารพิษอันมีเดชกล้าได้อย่างไรผู้ใดกินบุคคลผู้กล่าวคำสัตว์เช่นท่านศีสะของผู้นั้นพึงแตกเป็นเจ็ดเสียงและทูลพระโพธิสัตว์ต่อไปว่าข้าแต่พระสหายท่านนั้นเหมือนยาพิษที่มีพิษร้ายแรงใครจะกินท่านได้ท่านเป็นสัตว์บุรุษอย่างแท้จริง ในชมพูทวีปเวลานี้ไม่มีใครเสมอท่านท่านพ้นจากมือข้าพเจ้าไปแล้วอุสาอมัจุราชติดหน้าผากมหาข้าพเจ้าอีกข้าพเจ้าใคร่ฟังสตารหะคถาจากท่านเพราะบุคคลได้ฟังธรรมแล้วย่อมรู้จักบุญและบาปเมื่อข้าพเจ้าได้ฟังคถาแล้วใจอาจยินดีในธรรมได้บ้างประมังพระเจ้าสุตโสมตรัสว่า สหายท่านนั้นไม่เป็นภาชนะอันดีพอที่จะรองรับธรรมรสอันประเสริฐข้าพเจ้าเกรงจะเหนื่อยเปล่าเหมือนรถน้ำลงบนศิลาไหนเลยจะซึมทราบเมื่อโปริสัทอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าพระโพธิสัตว์จึงกล่าวสหัสสาระหาคาถาดังนี้ 1. การสมาคมกับสัตว์บุรุษคราวเดียวเท่านั้น ย่อมคุ้มครองผู้สมาคมด้วยได้การสมาคมด้วยอสัตว์บุรุษแม้มากครั้งก็ไม่อาจคุ้มครองได้ 2. พึงคบกับสัตว์บุรุษพึงทำความสนิทสนมกับสัตว์บุรุษเมื่อรู้สัตว์ทำแล้วย่อมมีความเจริญไม่มีความเสื่อมเลย 3. ราชรสที่วิจิตรการตายยังข่าคราได้ แม้สารีระร่างกายก็เสื่อมไปได้แต่ธรรมของสัตว์บุรุษย่อมไม่แก่ไม่เก่าสัตว์บูรุษกับสัตว์บุรุษย่อมสนทนากันรู้เรื่องเข้าใจกันดี 4. ท้องฟ้าและแผ่นดินนับว่าไกลกันฝั่งแห่งมหาสมุทรทั้งสองก็นับว่าห่างกันมากแต่ธรรมของสัตว์บุรุษและอาสัตว์บุรุษยังห่างไกลกันยิ่งกว่านั้น โจรโริษัทผู้เคยได้รับการศึกษาอย่างดีร่วมสำนักกับบัณฑิตสุตสมาก่อนแต่หลงผิดมาดำเนินทางผิดเพราะติดในรถเมื่อได้ฟังธรรมกถาอันไพเราะก็เกิดความจับใจเต็มตื่นไปด้วยปีติและพันณะห้าประการกลายเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนต่อพระโพธิสตัตว์ มีความรู้สึกต่อพระโพธิสัตว์ประดุจชนกผู้ประธานสเสวตฉตรแก่ตนจึงดำริต่อไปว่าเราไม่มีเงินทองอะไรที่จะถวายพระเจ้าสุตสมได้เราควรถวายพรแก่พระองค์เป็นปฏิบัติการแก่ธรรมกถาอันไพเราะและงดงามดำริดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าข้าแต่พระสหายผู้เป็นจอมชนแห่งแคว้นโกรพยะ คาถาที่ท่านกล่าวนั้นมีประโยชน์มากมีความไพเราะเหลือเกินข้าพเจ้าสดับด้วยความเพลิดเพลินชื่นใจและอิ่มใจข้าพเจ้าไม่มีอะไรถวายเป็นปฏิการแต่จะขอถวายพรสีประการแทนท่านะสมพรประการใดก็ขอพรประการนั้นเถิดพระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าสหายโพริสัตย ท่านนั้นเป็นผู้มีใจบาปผู้จากลับกรอกไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์แม้ทางเสื่อมแห่งตนก็มิได้รู้ท่านติดอยู่ในรถไม่ละเว้นทุจริต จ, จกให้พร อ, อะไรได้แม้เมื่อให้พรแล้วข้าพเจ้าขอพรท่านพูดว่าให้แล้วกลับพูดว่าไม่ได้ให้ก็ได้เมื่อเกิดถกเถียงกันขึ้น ใครจะเข้ามาเป็นบัณฑิตวินิจฉัยว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกโปริษตัตตต้องการให้พระโพธิสัตว์เชื่อจึงกล่าวว่าบุคคลเมื่อจะให้พรใดจะกลับไม่ได้อีกก็อย่าให้เสียดีกว่าดูก่อนสุตสมขอท่านจงมั่นพระทัยรับพรเถิดแม้ชีวิตข้าพเจ้าก็สละให้ท่านได้